วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเชื่อมัน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เข้ามาสู่พระอยู่สู่สถานที่ท่านจะสามารถเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ ก็คือมาที่วัดเพื่อมารับแสงสว่างแห่งธรรมที่เป็นแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของท่านคือจิตใจของท่านให้ได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่ที่สุขที่เจริญไปสู่ที่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งปวงแสงสว่างแห่งธรรมนี้ถ้าเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์โลกของเรานี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ถ้าโลกปราศจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์แล้วโลกนี้ก็จะมืดและก็จะมีแต่ความหนาวเย็นเหมือนกับอยู่ในขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ ซึ่งแทบจะหาชีวิตไม่ได้มีแต่ความหนาวเย็นมีแต่น้ำแข็งนี่คือประโยชน์ของดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์แสงสว่างข็งดวงอาทิตย์เราสามารถทำอะไรกันได้อย่างสะดวกสบายในช่วงตอนกลางวันมากกว่าในช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนเรามักจะพักกันนอนกันหลับกัน พอไปไหนมาไหนไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ถึงแม้จะมีแสงสว่างของแสงไฟฟ้าแต่ก็ไม่สว่างสวยัยกว้างขวางเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี่คือประโยชน์ของดวงอาทิตย์ที่มีต่อ ชีวิตของพวกเราในทางร่างกายแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี้ให้ประโยชน์สุขแก่ร่างกายของพวกเราทุกคนแต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้จะให้ประโยชน์สุขแก่จิตใจที่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่สามารถให้ได้แสงสว่างแห่งธรรมนี้มีคุณประโยชน์ มากกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์เพราะแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี้ให้ประโยชน์สุขแก่ร่างกายเท่านั้นแล้วก็ให้ประโยชน์สุขไม่ถาวรให้ประโยชน์สุขเพียงชั่วคราวให้ร่างกายนี้อยู่ได้ไปตามอัตภาพแต่ไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็จะต้องสิ้นสุดลง ร่างกายก็จะต้องตายไปแต่ประโยชน์สุขที่จิตใจจะได้รับจากแสงสว่างแห่งธรรมนี้เป็นประโยชน์สุขที่ยาวนานและถาวรเพราะจิตใจนี้ไม่เหมือนกับร่างกายจิตใจนี้ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บจิตใจจะอยู่ ไปตลอดจะอยู่แบบสุขและเจริญหรือจะอยู่แบบทุกข์และเสื่อมเสียก็ขึ้นอยู่กับแสงสว่างแห่งธรรมนี้เองถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมจิตใจก็จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับดินแดนที่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะมีความเจริญมาก ถ้าเปรียบเทียบกับดินแดนที่ไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์คือตามขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ถ้าเราไปเที่ยวขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นี้เราจะไม่เห็นอะไรให้เราดูกันเพราะว่าขาดแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่จะสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาให้เจริญขึ้นมาได้นั่นเอง แต่ถ้าเราไปอยู่ที่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์เราจะเห็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุกันมีการเจริญของบ้านเมืองของบุคคลของสิ่งต่างๆมากมายเพราะประโยชน์สุขที่ได้รับจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์นั่นเองจิตใจของพวกเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าจิตใจอยู่ปราศจากแสงสว่างแห่งธรรม จิตใจก็เป็นเหมือนจิตใจที่อยู่ที่เป็นขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เป็นจิตใจที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายปราศจากความสุขมีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจที่มีแสงสว่างแห่งธรรมนี้จะเป็นจิตใจที่ร่าเริงผ่องใสเต็มไปด้วยความสุข นี่แหละคือทำไมพวกเราจึางต้องเข้ามาหาแสงสว่างแห่งธรรมกันเพราะพวกเราไม่ต้องการความเศร้าหมองไม่ต้องการความว้าเหวไม่ต้องการความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆเราต้องการความสุขทางจิตใจกันไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขแก่จิตใจของพวกเราได้ นอกจากแสงสว่างแห่งธรรมเท่านั้นเศรษ่ายื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขแก่จิตใจได้ไม่สามารถให้ความเจริญแก่จิตใจได้เราให้มีเงินทองเป็นน้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถให้ความสุขความเจริญแก่จิตใจได้ให้ได้ก็เพียงแต่ความสุขความเจริญทางร่างกายเช่นเดียวกับ ความเจริญในยศในตำแหน่งต่างๆเช่นเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรสูงๆก็เป็นเพียงประโยชน์ที่ร่างกายเท่านั้นแต่ไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจถ้าไม่มีจิตใจไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมผู้ที่มีความเจริญทางด้าน ร่างกายทางด้านลาบยศนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จะเป็นคนที่มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าขาดแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองมีแต่แสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่เอื้อให้สามารถหาเงินหาทอง หายทหาตำแหน่งอะไรต่างๆได้มากมายก่ายกองแต่จิตใจนี้แทบจะหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหากลุ้มเล่าอยู่ตลอดเวลานี่คือความแตกต่างระหว่างประโยชน์สุขของดวงอาทิตย์กับประโยชน์สุขของแสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างแห่งธรรมนี้ จะให้ความสุขแม้แต่แม้ทางร่างกายจะเป็นขอทานก็ตามการมีเป็นขอทานมีความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายแต่กลับมีความสุขทางจิตใจยิ่งกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านไม่เชื่อก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าของพวกเราพ่อองค์ทรงอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนยากไรอยู่แบบคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยแบบถาวรอยู่ไปตามอั ต, ตภาพตามมีตามเกิดชอบอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้าง อยู่ตามเงื้อผานี่คือสภาพของจิตใจสภาพของร่างกายการกินอยู่ร่างกายของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ยากจนทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้ท่านเป็นมหาเศรษฐีจิตใจของท่านนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยบรมสุขสุขที่ได้จาก แสงสว่างแห่งธรรมนี้เองนี่คือการเปรียบเทียบให้ท่านได้มองเห็นภาพของคุณประโยชน์ของแสงสว่างแห่งธรรมที่มีคุณประโยชน์มากกว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่มีที่ให้ประโยชน์สุขทางด้านจิตใจมากกว่าประโยชน์สุขที่ ทางแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะให้แก่ร่างกายร่างกายอาจจะสุขอาจจะเจริญเป็นระดับประธานอาทิบปดีมหาเศรษฐีหรือมหากษัตริย์แต่จิตใจที่ปราศจากแสงสว่างแห่งทํานี้จะเป็นจิตใจแบบขอทานจะเป็นจิตใจที่ปราศจากความสุขทางด้านจิตใจ จะเป็นจิตใจที่มีแต่ความทุกข์ยากลาบากทางด้านจิตใจมีความทุกข์นานาประการรุมเร้าอยู่ตลอดเวลานี่คือความเป็นจริงของโลกของแสงสว่างของดวงอาทิตย์และข อ, ของแสงสว่างแห่งธรรมถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราจะไม่รู้จักคุณค่าคุณประโยชน์ของแสงสว่างแห่งธรรมเลยพวกเราก็จะหลงไปกับการหาประโยชน์สุขจากแสงสว่างของดวงอาทิตย์คือหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่จะพลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะดีเลิศขนาดไหนก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันเปลี่ยนมีวันสิ้นสุดลงนั่นเองเหมือนกับคำพูดที่เขาพูดกันว่า งานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลง n g นี่แหละคือสิ่งที่พวกเรากลัวกันมากก็คือเวลาสิ้นสุดของงานเลี้ยงสิ่งที่พวกเราชอบกันมากก็คืองานเลี้ยงพอได้ระบัตดเชิญมานี่ยิ้มกันทุกคนเชิญไปงานแต่งงานเชิญไปงานวันเกิดเชิญไปงานอะไรต่างๆนี่ดีใจกันสุขใจกันแต่พอ เวลาที่จะต้องกลับบ้านเวลานั้นใจก็เลยไม่สุขเหมือนตอนที่ไปเหมือนคำที่เขาพูดว่าเวลาออกไปเป็นเหมือนไก่บินเวลากลับมาเหมือนหากินเพราะว่างานเลี้ยงมันมีวันสิ้นสุดตอนที่ไปนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของงานเลี้ยงมันตื่นเต้นดีอกดีใจเห็นไหม ข้าวดาวปีใหม่อตอนนี้หายไปไหนหมดะล้อมันหายไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นของไม่จรหลังถาวรเป็นของชั่วคราวแต่พวกเราก็ไม่เข็ดพอมันหมดปีนี้เดี๋ยวก็ปีหน้าก็เข้าใหม่ข้าวดาวใหม่หรือถ้าหมดปีใหม่เดี๋ยวก็รอไปช่วงตุตจีนเดี๋ยวก็มีงานเลี้ยงช่วงตุตจีนอีก พอผ่านตุตจีนไปก็มีงานเลี้ยงช่วงสงการานีกพวกเราก็เลยต้องกระโดดไปจากงานเลี้ยงหนึ่งไปสู่งานเลี้ยงหนึ่งแต่ต่อไปร่างกายมันจะกระโดดไม่ไหวปัญหาอยู่ตรงนั้นต่อไปจะไปไหนมาไหนไม่ไหวมีงานเลี้ยงมีบัตรเชิญแต่สังขารมันบอกไปไม่ไหวตอนนั้นก็เหมือนกับไม่มีงานเลี้ยงสาหรับเราแล้ว ตอนนั้นก็จะมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเวเพราะไปไหนมาไหนกับเขาไม่ได้นี่คือสัจธรรมความจริงที่พวกเราจะมองไม่เห็นกันถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสแสดงความจริงให้กับพวกเราให้รู้ความเป็นจริงของโลกนี้ ว่าความสุขต่างๆของโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนตัตตาอนิจจังก็คือเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปพอความสุขเรื่องงานเลี้ยงหมดไปความสุขที่ได้จากงานเลี้ยงก็หมดไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ ความเหงาความว้าเหวความเศร้าซ้อยนี่คือเรื่องของสัจธรรมของชีวิตที่พวกเราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้เข้ามาสัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าและบางทีถึงแม้จะรู้เราก็ไม่อยากจะมาเพราะความที่เรา ไม่อยากที่จ ะ, ะมองความจริงกันเพราะการมองความจริงมันทำให้เราไม่สบายพอเราม อ, มองว่าอนาคตของเราต่อไปนี้มันจะแย่ลงไปเรื่อยมันไม่ใช่มันจะดีขึ้นไปเรื่อยมันจะดีช่วงที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นเด็กนี้อนาคตของเรามีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยตอนที่เราโตขึ้นมาเรื่อย ตอนนั้นเราจะเห็นว่าอนาคตของเรานี่สดใสจากเด็กก็ได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันแต่พอมันไปถึงจุดสุดยอดของความเจริญของทางร่างกายแล้วทีนี้มันก็จะมีการเข้าดาวแล้วมีการนับถอยหลังลวความสุขความเจริญทางร่างกายมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไป ร่างกายก็จะมีความชราเพิ่มขึ้นมามากๆรูปร่างลักษณะของร่างกายก็จะเปลี่ยนไปจากผิวพรรณผ่องใสสดสวยงดงามก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาไปตามสภาพของมันกำลังวังชาที่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายกายกองก็ค่อ ย, อยๆหดหายไปทีละเล็กทีละน้อย ความสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราจึงไม่อยากจะมองความจริงกันเพราะมองความจริงแล้วทำให้เราเกิดความท่อแท้เบื่อหน่ายกับชีวิตเราจึงต้องพยายามไม่คิดถึงมันเพราะคิดถึงมันแล้วถึงแม้ยังไม่ทันแก่ถึงแม้ยังไม่ทันเจ็บถึงแม้ยังไม่ทันใจ ถ้า ท, ทันตายมันก็กลัวเสียก่อนลนะ่ะกลัวเสียจงกระทั่ ง, งไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่อยากจะทําอะไรต่อไป เ, ออเราจึงพยายามปัดมันอให้มันออกไปจากใจของเราด้วยการด้วยความพยายามที่จะไม่นึกไม่คิดถึงมันไม่พูดถึงมันะคำว่าตายนี้ไม่มีใน อ, อ่ในสารานุ ก, กรม ในเด็กแคนาเรีของของคนไทยเวลาคนตายนี่เราจะไม่พูดว่าตายกันเราจะเรียกเราจะพูดว่าสิ้นลมถ้าเป็นพระก็ว่ามรณะมรณภาพถ้าเป็นเจ้านายก็เรียกสวรรคตถ้าเป็นนายกก็มีแต่ละคำแทนคำตายทั้งนั้นคำว่าตายนี้ไม่ไม่ไม่เป็นคำที่มงคล ถือว่าเป็นอัปมงคลกันจึงไม่กล้าพูดถึงคําว่าตายกัน น, นี่นี่คือปัญหาจิตใจของพวกเราปฏิเสธความจริงกันปฏิเสธความแก่ปฏิเสธความเจ็บปฏิเสธความตายเพราะเวลาที่เราคิดถึงมันมันทําให้เราห่อเหี่ยวใจผุดผูดใจท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิต ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมในเมื่อต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายก็เลยไม่คิดถึงมันพอไม่คิดถึงมันก็เลยลืมก็เลยคิดว่าตนเองเป็นซูเปอร์แมนไปคิดว่าจะไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายกันก็เลยโลภกันอย่างมาหาศาลเห็นไหมหาหนูน่นหานี่กันมาเป็นสมบัติของตนมากมายกายกองมีสมบัติเป็นแสนล้าน ล้านล้านแต่ไม่เคยคิดว่าเราเวลาตายไปเอาไปได้หรือเปล่าไม่เคยคิดกันเลยเพราะไม่เคยคิดว่าจะตายกันเพราะลืมคิดไม่อยากจะคิดมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าความตายไม่มีอยู่ในใจของตนมันใช่มันไม่อยู่ในใจแต่มันอยู่ในร่างกายะใจเราไม่คิดถึงมันมันก็เลยทําให้ใจคิดว่าจะไม่มีความตายเกิดขึ้น อันนี้แหละเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมมองความจริงไม่ยอมมองปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้ต้องมองปัญหาแล้วเราถึงจะได้หาวิธีแก้ปัญหากันถ้าเราไม่มองปัญหาเราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเราก็จะไม่แก้ปัญหากันและพอเวลาเจอปัญหาขึ้นมาก็แก้ไม่ตกแก้ไม่เป็นแก้ไม่ได้ อันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะ เ, เป็นแบบนี้กันคือมเป็นโรคแพ้าศาสนาโรคแพ้ความจริงกันไม่ยอมฟังความเป็นจริงที่าศาสนาพยายามเอามาพร่ำสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้รู้ว่าตนกำลังมีปัญหาอยู่ แต่ศาสนาไม่ได้เพียงแต่สอนที่ปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นศาสนามีคําตอบหรือมีวิธีแก้ปัญหาให้เราด้วยอันนี้อยู่ที่ตรงนี้ที่เราไม่ได้ศึกษากันเราเลยไม่รู้กันพอได้ยินเรื่องของศาสนาที่สอนให้เราแลลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็เกิดโลกแพ้ขึ้นมาทันที ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าอแต่ถ้ามีความอดทนมีความกล้าหาญถ้าลองศึกษาต่อไปเราจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาที่เรามีกันอยู่เนี้เราสามารถแก้ได้เราสามารถทําให้มันหมดไปได้เราสามารถทําให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรได้ อันนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่ได้คิดกันก็เลยไม่สามารถเข้าถึงวิธีแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่สนใจที่จะศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะศึกษาแต่ เป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นหัดถ้าเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาเราก็อยากจะศึกษาเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาเราก็จะไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาได้เพราะเราพยายามที่จะเอาปัญหากรบมันด้วยการหา สิ่งดีๆงามงามมากลบมันคือเอาความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกรื่นกายมากบปัญหาของเรานั่นเองมันก็เลยทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการหาความสุขได้ชั่วร ะ, ระยะหนึ่งระยะที่ร่างกายยังไม่เป็นปัญหาแต่ทุกคนไม่ช้าก็เร็ว ก็จะต้องเจอปัญหาทางร่างกายด้วยกันทุกคนและพอเจอปัญหาตอนนั้นจะกลบยังไงก็กลบไม่มิดนะไม่มีอะไรจะมากลบความจริงได้เวลาความจริงมันโผล่ขึ้นมานี่ไม่มีใครมากลบมันได้เวลานั้นถ้าไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาก็จะลำบากจะทุกข์ทรมานใจและอาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ผิด ก็คือแก้ปัญหาด้วยการข้าตัวตายทั้งๆ ท, ที่กลัวตายแสนกลัวไม่อยากจะตายไม่อยากจะคิดถึงความตายแต่พอไปเจอความทุกข์ที่แสนทรมานก็เกิดความบ้าบิ่นขึ้นมายอมตายดีกว่าที่จะทนอยู่กับสภาพที่ทุกข์ทรมานใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าไปไปฆ่าที่ร่างกาย จะฆ่าหรือไม่ฆ no ้ามันก็ตายอยู่ดีมันไม่ได้ไปลบล้างปัญหาเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหามันอยู่ที่ใจที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองถ้ายังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายจะต้องกลับมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อย คนที่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ไม่ต้องกลับมาเจอความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเป็นคนที่รู้จักวิธีปฏิบัติหรือกาจัดความแก่ความเจ็บความตายได้ดังนั้นพวกเราจึงต้องออสร้างศรัทธาขึ้นมา สร้างศรัทธาในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ขึ้นมาว่าท่านเป็นผู้ที่ได้แก้ปัญหาของท่านแล้วแล้วท่านก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายหลังจากที่ท่านได้แก้ปัญหาแล้วแต่ช่วงที่ท่านแก้ปัญหาท่านก็ต้องทุกข์ยากลำบากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเหมือนกับเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย บางทีก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดกันถ้าเราไม่ผ่าตัดโรคที่เป็นอยู่มันก็จะไม่หายถ้าเรากลัวาการผ่าตัดไม่ยอมผ่าตัดโรคที่เป็นอยู่มันก็จะรุมเล้าอยู่เรื่อยๆไปจนถึงวันตายแต่ถ้าเรายอมกัดฟันเข้าไปให้หมอเขาผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วโรคที่มันรุมเล้าอยู่มันก็หายไป เราก็จะอยู่ปราศจากโรคนั้นได้ไปตลอดนี่คือความจริงที่เราควรที่จะเอามาเปรียบเทียบกันว่าการที่เรามาศึกษาและปฏิบัติวิธีแก้ปัญหาของความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนกับการไปกินเลี้ยง การกินเลี้ยงกับการไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดนี้มันคนละเรื่องเลยถ้าส่งบัตรเชิญมาให้ไปโรงพยาบาลผ่าตัดนี้ก็อยากจะส่งคืนทันทีอถ้าส่งบัตรเชิญมารับประทาน ง, งานเลี้ยงนี้ก็รับทันทีแต่ประโยชน์มันต่างกันถ้าเราไปโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้มันก็จะหายไป แล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายไปตลอดจนถึงวันตายไม่ดีกว่าเลยดีกว่าทีา่ไม่ยอมเจ็บตัวด้วยการผ่าตัดแล้วก็อยู่กับโรคไปจนวันตายยางใดโรคของใจเราก็คือโรคของความกลัวความแก่ความเจ็บความตายนี้เองแล้วก็โรคของความกลัวการผ่า ตัดเพื่อที่จะกําจัดโรคของความแก่ความเจ็บความตายเรากลัวมันกลัววิธีที่จะต้องไปผ่าตัดกันเอาวิธีผ่าตัดก็เหมือนกับต้องไปอยู่โรงพยาบาลนั่นเองคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลก็ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปงานเลี้ยงที่ไหนไม่ได้จึงไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าโรงพยาบาลกันแต่ที่ต้องเข้าเพราะจําใจเพราะ ย, พระยอมรับสภาพว่า มันเข้าแล้วมันต้องดีกว่าไม่เข้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปงานเลี้ยงต่างๆก็ตามแต่ก็รู้ว่ามันเป็นเพียงชั่วคราวยอมเจ็บตัวท่าหน่อยยอมไปเจ็บตัวยอมไปรักษาตัวพอมันหายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเที่ยวมาไปงานเลี้ยงได้อีกต่อไปฉันใดการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่ ก็เป็นเหมือนกับการที่เรามาเข้าโรงพยาบาลมารักษาโรคของความกลัวความแก่ความเจ็บความตายนี่ให้มันหายไปจากใจเลยพอมันหายแล้วหลังจากนั้นจะอยู่ไปอย่างสบายใจไปจนถึงวันแก่วันเจ็ บ, ว, จบวันตายแก่ก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวโรคนี้รักษาให้หายได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้รักษามาแล้ว พระสาวกทั้งหลายก็ได้รักษามาแล้วท่านจึงกล้าเอามาสอนพวกเราที่จะช่วยให้พวกเรานี้หายจากโลกกลัวความแก่กลัวความเจ็บครัวความตายได้ดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าสิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัตินี้ ถึงแม้ว่าจะยากลำบากแต่มันมีคุณประโยชน์อันมหาศาลเพราะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้แก้ปัญหาของเราได้เราจะไม่มีความกลัวความแกบไม่มีความกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความกลัวความตายต่อไปไม่มีความกลัวการพัดภาคจากกัน ไม่มีความกลัวเวลาที่งานเลี้ยงมันจะสิ้นสุดลงแล้วจะอยู่แบบไม่ต้องมีงานเลี้ยงได้โดยที่ไม่เดือดร้อนเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่อต้องสร้างศัทธาขึ้นมาพอเชื่อแล้วขั้นต่อไปก็เราต้องลองปฏิบัติ ด, ดูเหมือนกับลองชิมมาหารดูไม่ได้เรียกให้รับประทานสั่งมาทั้งจาน เขาเอาอาหารตัวอย่างมาให้ชิมเล็กน้อยสักช้อนหนึ่งเท่า น, นั้นเขอให้ลองแตะปักเข้าไปปากสักช้อนหนึ่งดูว่ารสอาหารที่เขาเชื้อเชิญให้เราซื้อนี่มันรสชาติเป็นยังไงน่ารับประทานหรือไม่นขอให้เราลอง ช, ชิมมันสักหน่อยเถอดถ้าลองได้ชิมแล้วรับรองได้ว่าเราจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่ได้ชิมต่อให้พูดกัน กี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็เหมือนสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะต้องให้เห็นด้วยตนเองต้องได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมด้วยตนเองรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติแบบเต็มร้อยไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปอะไรเพียงแต่ขอแบ่งเวลาที่เอาไปเที่ยวเอาไปกินเลี้ยงมา ปฏิบัติทํากันดูบ้างเช่นวันไหนไปกินเลี้ยงวันไหนไปเที่ยวลองขอขอขอแบ่งเวลามาบ้างลดเวลาการไปเที่ยวลดเวลาการไปกินเลี้ยงสัก50เปอเซ็ช่นปีนี้เรามีงานเลี้ยงมีงานเที่ยวอยู่สาสิวันสมมติก็ลองตัดให้มันเหลือสักสิหวันเดีว แล้วอีกสิบห้าวันนี้เราเอามาลองชิมรสแห่งธรรมกันดูโดยการไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปปฏิบัติธรรมไปปีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดไปฝึกสติไปนั่งสมาธิให้ได้ถ้าเรานั่งสมาธิจิตสงบได้ก็ถือว่าเราได้ชิมรสแห่งธรรมแล้วเรารับรองได้ว่าถ้าลองจิตสงบเพียงครั้งเดียว แม้แต่เพียงชั่วงูราบลิ้นก็ตามรถแห่งธรรมนั้นจะประทับใจเราไปจนวันตายจะทําให้เราไม่มีความอยากที่จะสัมผัสกับรสอย่างอื่นอีกต่อไปจะทําให้เราถ้าเป็นอาหารก็จะสั่งจานนี้ทุกครั้งเที่มาลานนี้เอาจานนี้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาอกินจานนี้จานเดียวเหลือเฟืออันนี้คือการชิมรสแห่งธรรม เราต้องมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราถึงจะสามารถที่จะลิ้มรสแห่งธรรมได้ถ้าเราเพียงแต่ศึกษาเพียงแต่ฟังอย่างเดียวแต่ยังไม่นำอาไปปฏิบัตินี่มันก็ยังเหมือนกับสิบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นต่อให้มาฟังธรรมกี่อาทิตย์กี่ครั้งกี่คราวก็ตามฟังแล้วมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไป ฟังแล้วก็น่าสนใจฟังแล้วก็รู้สึกแปลกดีมหัจจรันใจดีแต่ถ้าไม่นำมอาอไปปฏิบัติมันยังจะไม่ได้รู้อย่างแท้จริงว่ารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรต้องหาเวลามาปฏิบัติหาเวลามาศึกษาก่อนที่จะปฏิบัติได้ก็ต้องศึกษาให้รู้ก่อนให้รอบครอบก่อน ให้รู้ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นปฏิบัติอย่างไงที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุทั้งหลายท่านปฏิบัติกันนั่นเองท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามท่านเพราะสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาก่อน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งใดที่เราสอนถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราไม่เอามาสอนสิ่งใดที่เราเอามาสอนนี้เป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติแล้วได้พิสูจน์มาแล้วว่ามีคนมีประโยชน์อย่างแท้จริงถึงเอามาสอนหรือสิ่งที่มีโทษอย่างแท้จริงท่านก็นมาสอนให้เราละอย่าไปทำมันพระพุทธเจ้าได้เป็นหนูลองยาให้พวกเราแล้ว พวกเราสบายไม่ต้องไปหาหนูลองยามาลองยาให้พวกเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ผลิตยาให้เรารับประทานกันแล้วเราไม่ต้องไปค้นคว้าผลิตยาขึ้นด้วยตนเองไม่ต้องไปเป็นหนูหนูลองยาพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกนี้ท่านเป็นเหมือนหนูลองยาให้กับพวกเราท่านรอดพ้นจากยาที่ท่านทดลองไม่ตายจากยา เพราะว่ายาเป็นยาที่รักษาโรคได้อย่างแท้จริงนั่นเองเพราะเราจรึงปลอดภัยจากการที่เราจะต้อง เ, อเจอกับความผิดหวังที่ไม่สามารถใช้ยาที่เราลองนี้มารักษาเราให้หายได้เราไม่ต้องลองเองมีคนลองให้เราแล้วแต่เราต้องลองสัมผัสดูว่ามันดีจริงหรือไม่ รักษาโรคใจของเราให้หายไปได้หรือไม่นี่แหละคือสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องทำในเบื้องต้นเราต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาก่อนเกิดศรัทธาเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นคนเป็นประโยชน์ต่อชีวิต จ, จิตใจของพวกเราอย่างแท้จริงพอเราเชื่อแล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไร จึงจะสามารถกำจัดโลคของความกลัวความแก่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายกลัวการสิ้นสุดลงของงานเลี้ยงกลัวการพัดภาคจากกันพอเราได้ศึกษาวิธีแล้วเราก็ต้องลองเอาไปปฏิบัติเดิวแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเราต้อง <c oughs> หาเวลาพอเรามีศรัทธาแล้วขั้นต่อไปเราต้องมีเวลาปฏิบัติถ้าเราไม่มีเวลาเราก็อ้างเป็นข้ออ้างได้ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติสักทีติดเรื่องนุ้นติดเรื่องนี้ติดงานเลี้ยงที่นั่นติดที่เที่ยวที่นั่นมีเรื่องให้ติดอยู่ตลอดเวลาพอจะให้หาวันมาวัดนี่หาไม่มีในตารางเลย ไม่มีช่องว่างในตารางเลยช่องว่างในตารางนี้มีแต่งานเลี้ยงที่บ้านนั้นงานเลี้ยงที่โรงแรมนั้นไปเที่ยวที่เมืองนั้นเมืองนี้เต็ไมไปหมดเลยในตารางของชีวิตของพวกเราแต่ตารางที่ว่าจะไปอยู่วัดสามวันห้าวันเจ็ดวันเพื่อไปฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญานี่ไม่มีเลย พราะเราไม่จัดการหาช่องว่างให้มันนั่นเองแล้วเป็นคนจัดการเองทําไมเราจะหาช่องว่างให้มันไม่ได้เราก็ตัดงานเลี้ยงมันไปบ้างทีสถานที่ท่องเที่ยวมันไปบ้างแบ่งคนละครึ่งะไม่ได้ให้เลิกทันทีเลยให้แบ่งเวลามาให้กับการปฏิบัติบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันดีจริงหรือไม่ อันนี้คือขั้นที่สองต้องหาเวลาต้องเริ่มเขียนตารางใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่พอดีถ้าเขียนตารางไว้แล้วลองมาดูซิว่ามีช่องว่างให้ใส่การไปลิ้มรสแห่งธรรมบ้างัหมมีแต่าการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินอาหารที่นั่นที่นี่มีช่องให้สำหรับไปลิ้มรสแห่งธรรมบ้างไหมว่ารสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี่ ถ้าไม่มีก็ลบไอ้ไอ้ที่ไปกินที่อื่นบ้างตัดรายการที่จะไปเที่ยวไปกินที่นั่นที่นี่บ้างแล้วก็เอารายการที่จะไปปฏิบัติธรรมใส่เข้าไปเช่นตุตจีนี้ปีใหม่มันผ่านไปแล้วตุตจนีนี้ถ้าวางแผนว่าจะไปเที่ยวเมืองนอกก็ลองลบมันทิ้งไปดูแล้วบอกจะลองไปหาวัดที่ไหนสงบสงัดที่มีผู้ คอยสั่งคอยสอนให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำอย่างถูกต้องลองเปลี่ยนที่ไปบ้างไปเที่ยวมาหลายที่แล้วหหลายเมืองแล้วมันก็เหมือนกันทั้งนั้นนะ่ะมันก็แปลกหูแปลกตาอยู่ไม่กี่วันพอไปได้อยู่สักพักก็อยากจะกลับบ้านนะเบื่อละไปกี่บ้านกี่เมืองก็แบบเดียวกันพอมันไปอยู่สักทางนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ชินตาชินหู แล้วมันก็จะเกิดความเบื่อขึ้นมามันไม่ดึงดูดใจเหมือนตอนที่ไปใหม่ๆฉะ <c oughs> <c oughs> นั้นเราก็สรุปได้ว่าไปที่ไหนก็เหมือนกันดีใจตอนไปใหม่ๆตื่นตาตื่นใจพออยู่ไปสักพักก็เบื่อแล้วอยากจะกลับบ้านกันละลองเอาความคิดนี้มาลบล้างโปรแกรมที่จะพาที่จะชวนเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดูว่ ไปมันก็เหมือนกันล่ะต่างกันที่าภาพที่เราเห็นนั่นเองบ้านเมืองก็อาจจะมีคงมีบ้านช่องที่มีลักษณะแตกต่างกันมีดินฟ้าอากาศมีอากาศหนาวเยน็นหนาวร้อนแตกต่างกันไปก็เท่านั้นเองไปใหม่ๆมันก็แปลกหูแปลกตาแต่พออยู่ไปสักพักพอมันชิดแล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนบ้านเราแต่สบายสู้บ้านเราไม่ได้ พราะบ้านเรานี้เราเรามีของที่เราชอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอาหารที่ไหนจะสู้อาหารบ้านเราอภาษาที่ไหนจะสู้ภาษาบ้านเราไปอยู่บ้านเขาไปพูดภาษาเขาบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องไปกินอาหารของเขาก็กินบางทีก็กินไม่ลงเพอมันไปอยู่สักพักแล้วมันก็จะเริ่มเบื่อขึ้นมามันก็อยากจะกลับบ้านกัน แต่พอมากลับบ้านอยู่เดี๋ยวไม่นานมันก็เบื่อบ้านอีกอยากจะไปอีกองั้นให้มองภาพนี้ว่ามันเป็นวัตจกักรวงจรอุบาทที่หลอกให้เราต้องดิ้นไปนู่นดิ้นมานี่อยู่เรื่อยๆดิ้นไปที่นั่นพอไปถึงนี่นั่นก็ดิ้นกลับมาที่นี่พอดิ้นกลับมาที่นี่เดี๋ยวก็ดิ้นกลับไปที่นู่นอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเราดิ้นไปดิ้นมา เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆอยู่เรื่อยๆเพราะเราเบื่อกับสิ่งที่จำเจเราต้องการสิ่งแปลกๆใหม่ๆแต่ความจริงในโลกนี้มันไม่มีอะไรแปลกๆใหม่ๆแร้มันจำเจทั้งนั้นมันเหมือนกันทั้งนั้นคนเมืองฝรัง่งจึงมาเที่ยวเมืองไทยกันไหคนที่อยู่เมืองไทยก็ไปเที่ยวเมืองฝรั่งกันเ <c oughs> พราะฝรั่งมันก็จาเจมันก็เบื่อบ้านเหมือนมันก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทย คนไทยก็เบื่อบ้านคนไทยก็อยากจะไปเที่ยวบ้านฝรั่งมันก็มีเท่านั้นแหละมันก็จำํำพอไปอยู่นานๆเข้ามันก็จําเจคนไทยไปอยู่เมืองนอกนานๆก็เบื่ออยากจะกลับบ้านกันเยอะแยะอให้เราสรุปลงไปว่าไปที่ไหนก็เหมือนกันอย่าไปดีกว่าไปแล้วก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาความกลัวความแ ก, คมก่ความเจ็บความตายก็ยังติดอยู่กับใจของเราอยู่ไปอย่างนั้นอ่ะ เพราะการไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปกินเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆตามงานต่างๆนี้มันไม่สามารถมากําจัดความกลัวความแก่ความเจ็บความตายได้ต้องไปปฏิบัติธรรมกันต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาวัดที่ทุกข์ยากลําบากทางร่างกายทางลูกเสียงกลิ่นรสเพราะไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสให้เสพ การกินการอยู่ก็ไม่สะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านอยู่บ้านมีความสะดวกสบายทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเอแต่พอไปอยู่วัดนี่ก็ให้นอนแบบยากๆนอนแบบลําบากให้นอนกับพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยเสือ่อหรือปู ด, ด้วยผ้าเครื่องปรับอากาศก็ไม่มีออย่างนี้เป็นต้นน้อนก็ต้องทนเอา อันนี้แต่มันจะได้ประโยชน์ทางจิตใจเพราะสถานที่ที่มันทุกข์ยากทางลำบากทางร่างกายนี้มันจะเอื้อต่อการสร้างแสงสว่างแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจสร้างลดแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจเพราะตอนนี้ลดแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้นมาก็เพราะถูกลดของทางร่างกายมากบเอาไว้นั่นเอง รสของลาบยศสารเสญรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะมันมาคอยกบรสแห่งธรรมไม่ให้ปรากฏขึ้นมาถ้าเราต้องการสัมผัสกับรสแห่งธรรมเราต้องกําจัดรสของลาบยศสารเสญรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะให้ไปอยู่แบบคนยากจนอยู่ อยู่แบบไม่มีที่อยู่แบบรูหราอาหารก็ไม่รูหราเครื่องนุ่งห่มก็ไม่รูหราเป็นของคนยากจนใช้อยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็ความสุขที่คนร่ารวยมีกันก็ไม่เอาความสุขทางตาหูจมูกร่้งกายชนิดต่างๆก็ตัดมันไปให้หมดเพื่อที่เราจะได้ มีช่องให้ความสุขทางใจโผล่ขึ้นมามีช่องให้ลดแห่งธรรมโผล่ขึ้นมานั่นเองถ้าเปรียบเหมือนกับถ้าเรามีคนกขาเอากาแฟรสเด็ดมาให้เราดื่มแต่ในถ้วยของเรานี้ยังมีกาแฟเก่าอยู่ถ้าเรายังเสียดายกาแฟเก่าเราก็จะไม่มีเนื้อที่ที่จะเทกาแฟรสใหม่ถ้าเราอยากจะได้กาแฟรสใหม่ เราก็ต้องเทกาแฟรสเก่าที่อยู่ในถ้วยทิ้งไปให้หมดออพอทิ้งกาแฟรสเก่าไปถ้วยมันก็จะว่างสามารถรองรับกาแฟรสใหม่ได้อย่างเต็มที่ออใจเราก็เป็นเหมือนภาชนะที่รองรับออรถทางโลกและรถทางธรรมตอนนี้ใจของเรานี่รองรับแต่รถทางโลกรถแห่งราบยศสะรเริญสุข ซึ่งเป็นวัดเป็นรสที่มีความขมขื่นตามมาอแต่ถ้ารสแห่งธรรมนี้แต่จะมีแต่รสของความหอมหวานเพียงอย่างเดียวคเราต้องกล้าทิ้งมันกล้าทิ้งรสแห่งทางโลกไปรสของราบยศสละลเสริญรสของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วมาลองรสแห่งธรรมดูกันเอด้วยการจับตารางเวลาว่าอต่อไปนี้อาทิตย์ วันไหนวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวไปกินเลี้ยงกันจะขอไปวัดบ้างจะหลับกันคนละครึ่งอาทิตย์นี้ไปวัดอาทิตย์หน้าไปเที่ยวแบ่งกันไปก่อนทาอย่างนี้ไปเราจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมพอเราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเป็นครั้งแรกแล้วทีนี้รับรองได้ว่า ความสนใจในรถแห่งธรรมนี้มันจะทวีคูณขึ้นมาทันทีทีนี้มันอยากจะมาสัมผัสกับรถแห่งธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆรถทางโลกมันจะลดลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะสัมผัสเฉพาะงานที่จําเป็นจริงๆนั้นถ้ามีทางเลือกเมื่อไหร่ก็ไปเลือกไปทางธรรมทันทีแต่ถ้ายังเลือกไม่ได้ยังเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องไปงานทางโลกอยู่ ก็ยังจะไปอยู่บ้างแต่รับรองได้ว่าจะค่อยๆขยับมาทางธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆขยับมาทางลถแห่งธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดนี้จะมีแต่ลถแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวเอคือพร้อมที่จะออกบวชได้พร้อมที่จะไปอยู่วัดได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะสละครอบครัวสละชีวิตของคารวะผู้คลองเรือนได้ พราะเมื่อเปรียบเทียบกับรถแห่งธรรมกับรถของผู้ครองเรือนล้ามันเป็นคนละโลกกันชีวิตของผู้ครองเรือนนี้ท่านบอกว่ามันวุ่นวายเนาะมีเรื่องให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับชีวิตทางธรรมนี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาอมีมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล พอได้ออกบวชได้ปฏิบัติจนได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วก็อดที่จะอุทานอยู่ออกมาทางปากไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอเดินไปก็บว่นว่าสุขหนอสุขหนอนั่งก็บว่นว่าสุขหนอสุขหนอโดยกระทั่งพระเนนคิดว่าพระ อ, องค์นี้เป็นบ้าหรือเปล่าไม่มีการสารวมไม่มีสติก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่า พระองค์นี้ไม่สำรวมกายวาจาใจเลยร้องออกมาอยู่เรื่อยๆสุขหนอสุขหนาอาอก็เลยพระพุทธเจ้าเลยต้องเรียกมาสอบถามว่าเธอเป็นยังไงถึงบ่นว่าสุขหนอสุขหนอะเธอก็บอกว่าสมัยผมเป็นคารวะนี่ผมเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ผมไม่เคยเจอกับความสุขที่ผมได้จากการมาปฏิบัติธรรมเลย จนจิตใจของผมนี่อดที่จะอุทานออกมาดังๆไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนอเพราะขณะที่ผมเป็นคาราวานี้ผมมีแต่วุ่นวายหนอวุ่นวายหนอเรื่องของลูกบ้างเรื่องของสามีบ้างเรื่องของเมียบ้างเรื่องของพ่อตาแม่ยายบ้างเรื่องของคนนูน้นคนนี้เต็มไปหมดคนนั้นก็อยากได้อย่างนั้นคนนี้ก็อยากได้อย่างนี้พอผมมาบวชเป็นคนจนแล้วไม่มีใครมาหาผมเลย ไม่มีใครมาลบกวนใจผมอีกต่อไปพอผมทำใจให้สงบได้สัมผัสกับลสแห่งธรรมผมก็เลยมีแต่ความสุขหนาสุขหนา อ, อยู่ผมเลยอดอุทานขึ้นมาไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นนิยายเป็นเรื่องที่มีการกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกสมัยพระพุทธกาลนี่มีผู้ที่ออกบวชกันทุกเพศทุกวยัยทุกระดับของฐานะ มีตั้งแต่ลูกของพระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงขอทานทุกคนนี้พอได้สัมผัสได้ยินได้ฟังธรรมได้เกิดศรัทธาที่อยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมพอได้ลองปฏิบัติดูได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมก็ยินดีที่จะสละรถทางโลกไปทันทีออกบวชกันญาติของพระพุทธเจ้านี้บวชกันเยอะนะตั้งแต่แม่เลี้ยง แม่เลี้ยงก็ขอบวชเป็นภิกษุณีลูกก็บวชเป็นสัมมาณอญาติพี่น้องเจ้าชายห้ารูปก็บวชเป็นพระกันแล้วพระราชาที่อื่นก็มีการบวชกันเศรษฐีเมืองอื่นก็มีการตามเสด็จบวชกันเป็นจำนวนมากเพราะว่าทมที่พระเจ้านองนามาแสดงนามาเผยแผ่นนี่เป็นเป็นธรรมที่ประทับใจนั่นเอง ประทับตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายฟังแล้วอดที่จะเกิดศรัทธาที่อยากจะลองปฏิบัติไม่ได้พอได้ลองปฏิบัติแล้วก็ได้สัมผัสตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าจะได้สัมผัสนพอได้สัมผัสแล้วก็รู้เลยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจะจะดีเท่ากับลถแห่งธรรมก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการหาความสุข จากลดของลาบยศจัลรสเสรญลดของรูปเสียงกลิ่นลดผลพตภัพฑก็หันมาสู่การหาความสุขจากลดของศีลสมาธิและปัญญามาฝึกศีลศีลนี้ก็ต้องศีลแปดขึ้นไปศีล8ปดศีลสิบหรือศีลสองยบเเบื้องต้นผู้เริ่มต้นก็ลองศีลแปดไปก่อนพอพอรักษาศีลแปดได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้สัมผัสกับ ความสงบแล้วก็จะมีความกล้าหาญที่จะออกบวชถือศีล227หรือศีล300กว่าข้อได้ในสมัยพุทธกาลนี้บวชได้ทั้งผู้ชายบวชได้ทั้งผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นภิกษุณีผู้ชายก็เป็นภิกษุผู้หญิงนี่ถือศีลมากกว่าผู้ชายเพราะมีปัญหามีเรื่องมากกว่าผู้ชายเลยต้องมีศีลคอยแก้คอยบังคับอยู่มากกว่า ศีลของผู้ชายแค่227ีศีลของผู้หญิงนี่310้อยสกว่าข้ อ, อผู้หญิงมีปัญหามากกว่ามีเรื่องมากกว่าเลยต้องมีข้อห้ามข้อปรามมากกว่าแต่ก็ก็ก็เป็นศีลเหมือนกันเหมาะสมต่อเพศต่อวัยถ้ายังเป็นเด็กอยู่ท่านก็ให้ถือแค่ศีลสิก็พอไปถือศีล2องอีเหมือนผู้ใหญ่ก็ยังไม่ไหว พวกที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระก็ให้บวชเป็นสัมมาเนรก่อนอายุถ้ายังไม่ครบยี่สิบก็ให้บวชสัมมาเนรให้ถือเพียงศีลสิบไปก่อนแต่พออายุครบยี่สิบแล้วก็ให้บวชเป็นพระให้ถือศีลสองร้อยี่บเจ็ดข้อพอศีลจะมาปราบการกระทำต่างๆไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาและไม่ให้เกิดการออกนอกลูก่นอกทางศีล น, นี้มีเหมือนกับเป็น เวลาเราขับรถเข้าทางคลองเราจะเห็นมีอราวราวอยู่ข้างถนนใช่ไหมการเวลาถ้าเราเผลอไปรถมันจะวิ่งออกนอกทางมันยังมีราวกั้นไว้เอศีลก็เป็นแบบนั้นศีลจะเป็นราวคอยกั้นไม่ให้จิตใจของเรานี้ออกนอกลูก่นอกทางให้อยู่ในทำนองคลองธรรมให้อยู่ในทางของธรรมถ้าไม่มีศีลนี้เดี๋ยวมันแหกโคง้งตกเหว แต่ถ้ามีศีลแล้วปลอดภัยนี่คือหน้าที่ของศีลคอยประคับพองคอยประคับประคองใจให้อยู่ในการปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองให้อยู่ในการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวก็ไปเล่นไปเที่ยวกันได้ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเย็นนี้ก็กินข้าวเย็นได้แล้วมีงานเลี้ยงก็ไปได้แล้ว เพื่อนชวนไปดูหนังดูละครก็ไปได้แล้วแต่ถ้าถือศีลแปดก็ต้องปฏิเสธก็ไปบอกไปไม่ได้วันนี้ถือศีลแปดวันนี้จะไปอยู่วัดเนี่ยนี่คือหน้าที่ของศีลมีไว้เพื่อที่จ ะ, ะป้องกันไม่ให้จิตใจออกนอกลู้นอกทางของการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เองเพราะเรามีศีลแล้วเราก็ไปทางอื่นไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินไปดื่มไปเล่นไม่ได้ ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้เราก็ต้องมาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมกันไปพอได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปเดี๋ยวก็เกิดความสงบขึ้นมาเองเพอเกิดความสงบแล้วที่นี้ก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนะเบื้องต้นนี้ก็จะเป็นเหมือนกับงูแลบลิ้นเหมือนกับได้ได้ชิมรสอาหารเพียงหยดเดียว รสอาหารหยดเดียวนี้มันก็จะบอกเราทันทีว่าวิเศษหรือไม่วิเศษดีหรือไม่ดีพอได้สัมผัสหยดหนึ่งเราวอกขออีกสักหยดหนะขออีกสักสองหยดหนะขออีกสักคำนะเดี๋ยวก็ขออีกสักช้อนสองช้อนขออีกสักชามเนี่ยมันจะขอไปเรื่อยๆเพราะมันเด็ดมันอร่อยมันสุดยอดของรสเนี่ยรสแห่งทํานี่สุดยอดของรสทั้งปวงพอมันได้สัมผัสแล้วมันจะเกิดความโลภขึ้นมา ความโลภแบบนี้เราไม่เรียกว่ากิเลสเราไม่เรียกว่าเป็นกิเลสเราเรียกว่าเป็นฉันทะความยินดีในรถแห่งธรรมเนี่พอได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมมันวิเศษแล้วมันจะโลภอยากจะได้มากขึ้นแต่การโลภในธรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นมรรคเป็นประโยชน์ไม่ต้องกลัวเวลาที่เราโลภอยากได้ธรรมมา ก, มา ก, ม, ากมากนี้ไม่เป็นกิเลสต่างกับเวลาโลภอยากจะได้เงินมากๆเนี่ยเป็นกิเลส พราะการอยากได้เงินมากๆนี้มันจะนําเราไปสู่ความทุกข์ต่อไปแต่การโลภอยากได้ธรรมมากๆนี้มันไม่ได้นําไปสู่ความทุกข์มันจะนําไปสู่ความสุขมากขึ้นไปตามลําดับจนถึงสุขขั้นสูงสุดคือสุขของพระนิพพานต้องเกิดจากการมีความโลภอยากที่จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆฉนั้นความโลภแบบนี้เป็นความโลภที่ดี คนบางคนนี้ฟังบอกว่าพอโลภปั๊บหมายถึงโลภทาบุญก็โลภนั่งสมาธิก็โลภอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิไม่โลภไปทาบุญไม่โลภไปรักษาศีลไม่โลภเป็นฉันทะเป็นความยินดีในธรรมท่านแสดงไว้แล้วว่าความยินดีในธรรมเหนือกว่าความยินดีทั้งปวงอย่าไปยินดีในลาบยศจันรเสด็ะ อันนั้นมมันเป็นโทษเป็นทุกข์เนี่ยแต่ถ้ามีความยินดีในธรรมนี้ไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์มีแต่ประโยชน์มีแต่ความสุขต่อจิตใจขอให้ยินดีมากๆขอให้รักษาศีลให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นเราอาจจะลองแค่วันพระวันหนึ่งวันต่อหนึ่งวันทิศรักษาศีลแปดดูสักครั้งหนึ่งขอให้โลภขึ้นไปเรื่อยๆจากหนึ่งวันเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวัน โลภมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะพาเราไปสู่ความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆโลภในธรรมไม่เป็นปัญหาไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจโดยถ่ายเดียวดังนั้นโลภได้ให้ยินดีลดแห่งธรรมเพราะเป็นการยินดีที่เหนือชนะความยินดีทั้งปวงนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือความยินดีในลดแห่งธรรม จ่เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีโอกาสได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแม้เพียงเพียงหยดเดียวก็ตามแม้สงบเพียงแค่กูร่าลินก็ตามพอได้สัมผัสมาแล้วรับรองได้ว่ามันจะเกิดความโลภในธรรมขึ้นมาทันทีอยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับแล้วมันจะตัดความโลภทางโลกให้น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้อยากได้เงินทองอยากได้ตําแหน่งอยากได้อะไรต่างๆ พอได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมณที่นี้ไม่อยากได้มันนะ่ะอยากจะได้รสแห่งธรรมแทนเนี่ยนี่คือจุดที่เราต้องไปให้ถึงให้ได้คือให้เราได้สัมผัสแม้แต่เพียงแค่ช่วงงูแลบลิ้นก็ตามถ้าได้สัมผัสแล้วรับรองได้ว่าชีวิตเราจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเราจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งคนที่เคยออกเที่ยวออกเล่นจะกลายเป็นคนที่สงบส ง, งียมเอบ เพราะว่าความสุขมันต่างกันความสุขที่เกิดจากความสงบสงบเงียมมันเหนือกว่าความสุขที่จากออกจากการไปเต้นล้งเต้นกากันฮะเต้นล้งเต้นกาก็สนุกสนานไปพักหนึ่งแล้วก็เหนื่อยกันฮะสู้มาหาความสุขจากความสงบกันดีกว่าเป็นความสุขที่แนบแน่นที่จะติดอยู่กับใจของเราไปเป็นเวลาอันยาวนานอ่นี่คือเรื่องของแสงสว่างแห่งธรรม ที่พวกเราต้องเข้าหากันถ้าเราอยากจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปว่ต้องเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมคือการฟังเทศฟังธรรมนี่เองพอฟังเทศฟังธรรมแล้วหูตาเราจะสว่างขึ้นจะรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังพอเราได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจมากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะทําให้เรา กำจัดความรังเลสงสัยในเรื่องของธรรมต่างๆไปได้หมดจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับรถแห่งธรรมนั่นเองดังนั้นขอให้ท่านจงพยายามเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมอยู่เรื่อยๆพยายามกำหนดตารางเวลาให้มีโอกาสได้เข้าหาธรรมกันแล้วรับรองได้ว่ามันจะพาให้ท่านไปสู่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 สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิตโยวิวาจจันโตสัปปะโรโววนาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาทนสีิตสะนิจังวุฒาปจายโนยะตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะให้เพิ่มขยายความเข้าใจ ให้กว้างขึ้นก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ทางบ้านมมีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเ c e b o o k มี293คนค่ะทางย t u b บ152ทางวิทยุออนไลน์16คนและผู้รับฟังบนเขา115คนค่ะรวมทั้งหมด576คนค่ะ คำถามจากเฟซบุ๊กค่ะคำถามจากนายดีการถืออุโบสถศีลอยู่ที่บ้านเราสามารถออกกำลังกายเช่นออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะขณะวิ่งก็กำหนดพุดโทโธไปด้วยจะทำให้อุโบสถศีนคานไหมครับคือถ้าเราจะถืออุโบสถศีนนี้เราต้องไปอยู่ที่พระอุโบสถเพราะคำว่าอุโบสถศีนก็คือการถือศีนแป่ที่พระอุโบสถ ถ้าเราจะถือศีลแปดที่บ้านเราก็อย่าไปเรียกว่าอุโบสถศีลเราเรียกว่าบ้านศีล ห, หรือจ้อบกิ้งศีลออแต่ก็ยังถือว่าเป็นศีลแปดอยู่ <c oughs> เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ไปทำผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดการออกกําลังกายมันก็ไม่ได้เป็นการไปไ ป, ไปผิดศีลข้อแปดข้อเจ็ดแต่ถ้าเราวิ่งไปแล้วเห็นคนนู้นเห็นคนนี้แล้วเกิด ความอยากขึ้นมาอันนั้นนะถึงจะเร่นกาผิดเอถ้าวิ่งก็ต้องให้มีสติอยู่กับการวิ่งอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกรอบตัวเราเดี๋ยวไปเห็นหหนั่นนู่นเห็นนี่นี่เดี๋ยวเห็นเขาขายหมูปิ้งก็หยุดซื้อกินซะก่อ น, นอย่างนีหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมันก็ผิดศีลแล้วเขาถึงไม่อยากให้ออกข้างนอกเนะี่ยถ้าถือศีลแปดแล้วเขาอยากให้อยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆ กรูปเสียงกลิ่นรถแสงสีเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้พอเวลามันเห็นแล้วมันอดไม่ได้แต่ถ้าไม่เห็นมันก็ไม่มันมันก็ไม่อยากมันก็อดได้คำถามจากคุณคำพรกราบเรียนถามพระอาจารย์มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่ออะไรครับและความหมายของชีวิตมนุษย์คืออะไรครับมนุษย์เราเกิดมาเพราะความอยากว่าให้มาเกิดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความอยากได้ลาบยศสรรเสริญมันเลยต้องทำให้เรามีร่างกายกันแต่ถ้าเราหยุดความอยากเานี้ได้กำจัดความอยากเานี้ได้เราก็ไม่ต้องมาเกิดกันไม่ต้องมีร่างกายและเราก็สามารถอยู่โดยที่ไม่ต้องเกิดได้จิตไม่ได้ตายไปกับการตายของร่างกายจิตอยู่ตามลำพังได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าจิตรู้จักวิธีหาความสุขภายในตัวจิตเอง คือความสงบนี่ที่เรามาปฏิบัติกันเพื่อมาหาหาความสุขในตัวเราพอเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปออกออกไปหาความสุขนอกตัวเราเพราะว่าความสุขในตัวเรามันดีกว่าความสุขนอกตัวเราความสุขในตัวเราไม่มีพิษไม่มีภัยความสุขนอกตัวเราเนี้เต็มไปด้วยพิษด้วยภัยเป็นเหมือนกินอาหารที่แสลงกินแล้วเดี๋ยวต้องถ่ายท้อง แต่อาหารความสุขในใจเรานี้เป็นอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์กินแล้วมีแต่ความอิ่มอย่างเดียวไม่มีการถ่ายท้องไม่มีการปวดท้องอย่า้นเราดังนั้นถ้าจะถามว่าเรามาเกิดได้ยังไงก็เพราะความอยากมันดันท้ายเรามาเกิดแล้วเราเกิดมาแล้วเราควรจะทำไงก็ควรจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาหยุดความอยากแบบ น, นี้มาสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นพอเมื่อเราสร้างความสุขภายในใจเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ พอเราหยความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัฒนจากกันค่ะำถามจากคุณปริญญาผิดหวังเสียใจกับแฟนมากครับต้องทําใจอย่างไรบ้างครับอก็เหมือนจานที่มันแตกอจานแตกคุณจะทํำยัำยงไงคุณก็อาจาย์ทิ้งทั้งกระยาไป เมื่อคุณเลิกกับแฟนก็หันหันไปข้างหน้าอย่าหันไปข้างหลังอย่ามองไปในอดีตอดีตที่แสนหวานหรือแสนขมมันก็ผ่านไปแล้วถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วจานมันแตกแล้วจะเอามาต่อให้มันเป็นจานเหมือนเดิมไม่ได้แล้วฉันใดความสัมพันธ์ที่มันแตกแล้วก็ปล่อยให้มันแตกไปเลิกกันไปเอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่านี่แหละมันเป็นอย่างนี้ ต่อให้เรามีความสัมพันธ์ใหม่กี่ครั้งกี่คนมันก็จะต้องเจอแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆของความสัมพันธ์ต่างๆในโลกนี้ที่มันจะต้องมีวันแตกหักกันไปในวันใดวันหนึ่งถ้าไม่อยากจะมาทุกข์มาเศร้าโศกเสียใจก็เอาความทุกข์ที่เราได้จากการเจอปัญหาคราวนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจเหมือนกินของแสลงท้องเราอยากกลับไปกินอีก แต่ไหมเรากินอะไรแสลงท้องเรากล้าวกับไปกินอีกไหมไม่เอาแล้วถ้าส้มตำอันนี้รสเด็ดขนาดไหนแต่กินเข้าไปแล้วมันต้องวิ่งเข้าห้องซ่วมอยู่เรื่อยๆนี่เราข้าวตอบไปก็ไม่กินแล้วดีกว่าเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียอร่อยเดี๋ยวเดียวแต่ต้องวิ่งเข้าส่วมทั้งวันนี้อันนี้ก็เหมือนกันมองให้เห็นว่าความสัมพันธ์ต่างๆเช่นอหญิงชายชู้สาวนี่มันเป็นอย่างนี้ มันหวานอมขมเกินมันไม่มีหวานไปตลอดเวลาขมมันจะเกินได้หรือเปล่าทั้นนั่นเองถ้าเกินไม่ได้มันก็คลายพอลายมันก็แตกหักกัน ถ, ถ้าทนเกินเข้าไปได้ก็ก็ถูถยกันไปตามมีตามเกิดสามวันดีสี่วันไข่ไปนี่คือความสัมพันธ์ของทางโลกเป็นอย่างนี้คำถามจาก YouTube ค่ะคำถามจากคุณวิโรจน์ คนเราจะพูดโทรได้ตลอดเวลาถึงตายได้เลยหรือครับ อ, อ๋อไม่ต้องถึงตายแล้วพอดให้กิเลสตายเราก็หยุดได้พูดโทรให้กิเลสตายเท่านั้นเองพูดโทรให้ความอยากมันตายพอความอยากความคิดมันหยุดเราก็ไม่ต้องพูดโทรเรวไม่ต้องรอวันตายแล้วคำยิงทาวันเดียวถ้าทำทั้งวันกิเลสตายวันนี้มันก็จบวันนี้แล้วไม่ต้องไปทาทั้งทั้งปีทั้งชาติ ว, วันนั้นแหละ ไม่ต้องกลัวจะต้องไปทําตลอดปีตลอดชาติหรอกที่ต้องทํามาตลอดปีตลอดชาติเพราะมัน ท, ทํนาทีวันละวันละนาทีสองนาทีนั่นเองพุโทโธได้สองคำหายไปแล้ะแล้วเดี๋ยวก็มาต่อยพุทธอีกสองคำนะหายไปอีกลวถ้าทําอย่างนี้ทําไปทั้งชาติมันก็ไม่จบอ่ะแต่อยากทําให้มันจบทํามันต่อเนื่องแต่ให้มันต่อเนื่องสักชั่วโมงดูรับรองได้ว่าจะเห็นแตกผลแตกต่างกันเลยระหว่างที่มีพุโทโธกับระหว่างไม่มีพุโทโธเป็นอย่างไร เวลามีพุโทโธนี่ใจเบาแสนเบาสุขแสนสุขเพราะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจหลงเหลืออยู่พอหยุดพุดโทโธครับเรื่องนั้นก็เข้ามาเรื่องนี้ก็เข้ามาปวดหัวฉะนั้นใหม่ๆต้องขยันหน่อยแต่พอเราสามารถควบคุมความคิดความอยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องพอมันหยุดคิดหยุดอยากเราก็ไม่ต้องพุโทโธเหมือนรถนี่ยถ้ามันมันไม่วิ่งมันจอดเฉยๆก็ไม่ต้องไปเหยียบเบรกเราจะเหยียบมันตเพราะตอนที่มันวิ่งเท่านั้นเอง ยังไม่มีนะเดี๋ยวพักกินน้ํำนะใครอยากจะถามก็ถามได้นะค่ะกลับนันทสการณพระจารย์ายปากไหนคือโยมจะถามคือการให้อภัยเนี่ยเป็นทานอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เป็นเป็นทานอย่างหนึ่งทําให้ใจเราสงบเวลาเราโกรธใครนี่ใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่พอเรายกโทษให้เขาให้อาภัยเขาเราก็หายโกรธ้วสงบค่ะค่ะทานที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องเป็นธรรมทานธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เ, เพราะไม่มีอะไรจะมีคุณมีประโยชน์เท่ากับแสงสว่างแห่งธรรมที่ได้แสดงว่าพอถ้าเราไม่มีธรรมเราจะให้อาภัยไม่เป็นพอเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าการให้อาภัยนี่ดีกว่าการอาฆาตพยาบาท ไม่ว่าบุคคลนั้นจะว่าเราทุกคนเขาจะ<า>ฆ่าเราก็ให้อภัยเขาค่ะเจ้าค่ะแล้วใจเราจะสงบตายอย่างาสงบอยู่อย่างสงบเจ้าค่ะคําถามจากคุณจาค่ะสอบถามครับว่าเรามีครอบครัวแล้วมีลูกและภรรยาการปฏิบัติธรรมต้องออกบวชอย่างเดียวหรือครับเพราะการเป็นคารวะมีปัญหามากมายเราจะผ่านได้อย่างไร แต่ถ้าเราทิ้งเขามาบวชเราจะเทิยงภาระให้เขาหรือเปล่าครับเคืแล้วตอนเริ่มต้นไม่ต้องบวชนะยังบอกแล้วบอกว่าให้ลองชิมดูก่อนให้ลองชิมดูก่อนพอชิมแล้วมันชอบใจแล้วเดี๋ยวมันบวชได้เองไม่มีอะไรจะมาขวางได้ลูกเมีย น, นี้ปัญหาเล็กมากถ้าถึงเวลามันจะบวชจริงๆเราให้ช้างฉุดก็ไม่อยู่ยงั้นอย่าเพิ่งไปกังวลว่จะต้องบวชอย่างเดียวขอให้มีต้นแห่งธรรมก่อนเถอะ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่บวชก็ไม่บวชมันอยู่ที่ปัญหาอยู่ที่ว่ามีรถแห่งธรรมที่จะบรรดุดให้เราไปบวชหรือไม่ถ้าไม่มีรถแห่งธรรมมันก็ไปไม่ได้มันก็ติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้ติดไปหมดนะแต่พอมีรถแห่งธรรมแล้วมันเหมือนกับไฟเขียวอะมันไปสบายเลยนั้นอย่าไปกังวลเรื่องบวชเรื่องไม่บวชตอนต้นนี้ขอให้หาเวลามาสัมผัสกับรถแห่งธรรมให้ได้ก่อนแม้แต่เป็นแค่เชืองูแา บ, บลินเท่านั้นขอให้ได้สัมผัสเพียงแกงยก แกงเพียงหยดเดียวทั้งนี่แล้วรับรองได้ว่าจะสั่งมาทั้งหม้อเลย <laughs> คําถามจากคุณสิริศักดค่ะรบคุณท่านอาจารย์ยกตัวอย่างของธรรมรอารมณ์ครับก็อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์หงดุดหงิดอารมณ์นำคาลอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์เสีย อ, อกเสียใจนี่อารมณ์ทั้งหมดธรรมอารมณ์สิ่งที่มันอยู่ภายในใจเรา มันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิงห้อยสามวันดีสี่วันไข่อารมของเราเตืเนขึ้นมาบางทีก็หงุดหงิดแล้วบางทีก็สดชื่นเบิกบานแล้วแต่ว่าตื่นมาไปสัมผัสอะไรพอลืมตาขึ้นมากินขยะโชยเข้ามามันก็หงดดหงิดขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาได้สัมผัสกับกลิ่นฉันแนาอย่างี้มันก็สดชื่นขึ้นมาทันที จิตของเราอารมณ์ของเรามันถูกสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุน้นรูปเสียงกลิ่นรสนี่มาสามารถมากระตุ้นอารมณ์ต่างๆในใจเราได้นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ความคิดของเราเองความจำของเราเองพอไปนึกถึงสิ่งที่เราไม่ชอบก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาพอไปคิดถึงสิ่งที่เราชอบก็เกิดอารมณ์ดีขึ้นมานี่คือทำอารมณ์ทั้งนั้น แปลว่าคืออารมณ์นั่นเองครับเราใช้สั้นๆเราก็เรียกว่าอารมณ์วันนี้อารมณ์บอดจอยเลยเนาะแสดงว่าอารมณ์ไม่ดีเลยวันนี้ทํำไมไม่ดีเพราะว่ามันไเห็นหนู่นเห็นนี่เราไม่ถูก อ, อกถูกใจขึ้นมามันก็เลยอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแต่เราแก้ได้ถ้าเราปฏิบัติทำเราจะสามารถทําให้อารมณ์ต่างๆหายไปหมดเลยทาให้ใจปราจะจากอารมณ์ทําให้ใจเหลือแต่ ความสงบความนิ่งความเฉยอย่างเดียวคําถามจากคุณกําแพงเวลาทําสมาธิได้ความสงบแต่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเร็วครับทําอย่างไรถึงจะเห็นปัญญาครับก็เหมือนหุงข้าวแล้วอยากจะได้ก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้หรอกมันคนละเรื่องกันหุงข้าวมันก็ได้ข้าวเลย <c oughs> ล้วกก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปผัดก๋วยเตี๋ยวมันคนละเรื่องกันนั่งสมาธิไม่ให้เกิดปัญญาเขา้าใจไหม นั่งสมาธิให้เกิดความสงบเนี่ยพูดกันไม่รู้เข้าใจเนี่ยภาษานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบอยากได้ปัญญาต้องไปพิจารณารมพิจารณาไตรักพิจารณาขันห้าพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นน่ะถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันหุงข้าวก็ได้ข้าวจะอยากกินกนข้าวกินก๋วยเตี๋ยวผัดก็ต้องไปผัดก๋วยเตี๋ยวต้องทํา ต่างวาระกันไม่ได้ทำพร้อมกันนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะมีกำลังไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปถ้าใจยังไม่สงบจะไม่มีกำลังไปพิจารณาเลยต้องทำสมาธิก่อนทำใจให้สงบหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนพอเราหยุดมันได้แล้วเราก็สามารถสั่งให้มันคิดได้เพราะถ้าเราสั่งให้มันหยุดได้เราก็ต้องสั่งให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ถ้าเรายังสั่งให้มันหยุดไม่ได้เราจะไปสั่งให้มันคิดเรื่องตายลักมันไม่ไปให้มันคิดถึงความตายมันไม่ไปเห็นมมันไม่ไปเองสั่งมันมันก็ไม่ไปแต่ถ้าใจสงบแล้วสั่งมันมันไปคำถามจากคุณริกกี้ค่ะสังเกตว่าเวลาภาวนาพุทโธวันไหนที่ตั้งใจมากให้เวลามากการภาวนามักไม่ค่อยได้ความสงบแต่ทุกครั้งที่สงบ จะเกิดในเวลาที่ไม่ได้คาดหมายหรือตั้งใจเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะความตั้งใจมันเป็นตัวมาขัดขวางเนี่ยความตั้งใจนี้มีควรจะมีตอนที่ก่อนเรามานั่งก่อนเราจะมานั่งนี้เราต้องมีความตั้งใจถึงมานั่งได้ใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไปแล้วอย่าความตั้งใจมันผิดเวลาความตั้งใจมีไว้สําหรับดึงเราให้เรามานั่งพอเรามาเริ่มนั่งแล้วเราไม่ต้องไปตั้งใจแล้วที่มา ตั้งสติแทนนะมาดูลมหายใจแทนอย่าไปอยากให้มันสงบดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเองพอตั้งใจมันจะอยากให้มันสงบพอความอยากเกิดขึ้นมันก็เป็นตัวขวางความสงบะั้นตั้งใจเฉพาะเวลาที่เรายังไม่ได้นั่งพอเรามานั่งแล้วหยุดตั้งใจแล้วที่มาตั้งสติแทนให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไป อยาไปอยากให้มันสงบแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบพอพยายามให้มันสงบแล้วมันไม่มีทางที่จะสงบแล้วอถามต่อได้เลยพูดใกล้ ใ, ลใลปากได้เลยมีคําถามค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยหนูไม่ดูทีวีมาเป็นจะยี่สิบปีแล้วค่ะไม่ดูเลยแล้วเวลาเล่นงานด้วยงานเนี่ยจะอยู่กับกับอินเนตอร์เน็ตนะคะอืแต่พอเปิดอินเทอร์เน็ตเจอ อย่างอุบัติเหตุรถชนตายคาที่หรืออะไรเงี้ยหนูจะ ป, ป, ปัดปัดปัดปัดออกไม่อ่านไม่ดูแต่เมื่ อ, อไหร่ที่เข้าสมาธิปุ๊บภาพพวกนั้นจะขึ้นมาตลอดโดยปกติจะไม่คิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ ะ, ะเกิดอะไรขึ้นคะสะติเรามีกำลังน้อยเงัน้นเรานั่งสมาธิแบบไม่มีสติภาพต่างๆก็จะขึ้นมาถ้าไม่ให้มันขึ้นมาเราต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดือดูดลมหายใจไปอย่าหยุดจา้าเราไปนั่งเฉย เดี๋ยวมันเข้ามาอเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิต้องมีสติควบคุมใจพุโทโธพุโทโธไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเข้ามาเข้ามามันก็จะไม่มีน้ำหนักที่จะมาล้มเราได้ถ้าเราพยายามเกาะติดอยู่กับพุโทโธเกาะติดอยู่กับลมหายใจไปจแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเจ้าค่ะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะ การนั่งสมาธิต้องมีสติถึงจะสงบได้ถ้าไม่มีสติแล้วใจมันจะผลิตเรื่องราวต่างๆขึ้นมาคำถามจาคุณโูหนุยคะ่ะเวลาทำสมาธิคอยแต่จะหลับต้องแก้อย่างไรครับก็ลุกมาเดินก่อนสิถ้ามันจะหลับก็ลุกมาเดินแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยได้ก็คือกินให้มันน้อยหน่อยถ้ากินมากหนังท้องมันตึงหนังตามันจะหย่อนพยายามกินให้มันพอ ให้มันไม่หิวก็พออย่าไปกินให้มันอิ่มกินมีสองแบบกินแบบดับความหิวกับกินเพื่อให้มันอิ่มถ้ากินให้มันอิ่มแล้วมันจะง่วงเพราะมันกินมากเกินไปต้องกินเพื่อดับความหิวพอกินไปสักจานรู้สึกก็ไม่หิวแล้วก็หยุดถ้าอยากให้มันอิ่มก็ดื่มน้ําแทนให้มันอิ่มปลอมอิ่มแบบน้ําเดี๋ยวเดียวมันไม่อิ่มนานถ้าอิ่มแบบข้าวนี่มันจะอิ่มนานแล้วมันจะทําให้ง่วง ถ้ากินแบบนี้ยังง่วงอยู่ก็ต้องอดมันเลยอดวันเว้นวันลองดูเรือเลก อ, อดสองวันสามวันก็ได้พออดแล้วมันจะไม่ง่วงแต่เดีนี้มันจะฟุ้งซ่านอะมันจะคิดแต่เรื่องอาหารก็ต้องแก้ด้วยต้องมีสติมากๆต้องหมั่นพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือไม่ต้องงั้นก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเวลานึกถึงอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจาน ให้มันนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากหรืออยู่ในท้องหรืออยู่ในทวารหนักเนี่ยมันก็จะได้ไม่หิวไม่อยากคำถามจากคุณปัญญาค่ะแฟนกระผมเขาตั้งใจหางานทํามากๆเลยครับเป็นเวลานานแล้วยังไม่มีใครเรียกไปทำเลยเกือบสองปีแล้วครับเขามีกรรมส่วนใดครับผมอยากได้ธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นสิ่งบำรุงจิตใจเขาขรับ ครามก็คือไม่มีความสามารถที่จะตอบสนองคนแต่จ้างได้เมื่อเราไม่มีความสามารถไม่ ม, มีสิ่งที่เขาต้องการล้วก็เขาก็ไม่จ้างเราดังนั้นเราก็ต้องค้นควา ด, ดูตัวเราว่าเราขาดอะไรเราบกพร่องอะไรถ้าเราไม่มีของที่จะดึงดูดใจเขาเขาก็าไม่เขาก็ไม่เลือกเราคำถามจากคุณเจียรวัดคุณแม่ผมติดการพนันอย่างหนักเลย ลูกต้องทำใจอย่างไรครับใครบอกก็ไม่ได้ครับไม่เห็นทุกตอนเงินหมดเลยครับก็เป็นเรื่องของเขาเงินของเขาถ้าเป็นเงินของเราก็อย่าไปให้เขาใช้ถ้าเป็นเงินของเขาก็เรื่องของเขาหรือว่ากลัวเดี๋ยวเงินเขาหมดแล้วก็จะมาขอเงินเราก็บอกเขาไว้ก่อนน้ว่าถ้าเงินหมดแม่ไม่ให้นะถ้าหมดด้วยการพนันจะไม่ให้แต่ถ้าหมดเพราะว่ามันเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็จะให้ ถ้าหมดเพราะไปซื้อข้าวซื้อยามากินนั่นมันหมดนี่ก็เย็นดีที่จะให้แต่ถ้าหมดเพราะไปเล่นการานันก็จะไม่ให้นะต้ อ, องพูดกันให้รู้เรื่องก่อนเพื่อเขาจะได้คิดว่าเออเดี๋ยวก่อนกูหมดแล้วจะอดตายเพราะลูกมันจะไม่เลี้ยงกูมันก็ไดเออ้เลิกเล่นก็ได้คำถามจากคุณคิติลูกชายสิบขวบฝากถามครับทำไมเวลาที่นั่งสมาธิ ไม่มีสติแล้วก็ไม่ยไม่รู้สึกอยากนั่งอีกครับก็ไม่ฝึกสติมันก็ไม่มีสติเลยสติก็เป็นเหมือนเงินเนี่ยถ้าไม่หาเงินมันก็ไม่มีเงินอยากจะมีเงินก็ต้องหาเงินอยากจะมีสติก็ต้องฝึกสติต้องหมั่นขยันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดสติขึ้นใหม่งหมดหรือยัง<ม>เวลาหมดพอดี<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ